จเจริญอนท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมวัวนะวันฝังธรรมวันสร้างที่พึ่งทางใจ เพราะที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจเพราะเป็นที่พึ่งที่ถาวรจิตใจของพวกเราก็เป็นสิ่งที่ถาวรเราจำเป็นจะต้องสร้างที่พึ่งที่ถาวรให้แก่จิตใจเรามีร่างกายที่พึ่งของร่างกายและร่างกาย เป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวเราไม่ต้องให้ความสำคัญมากจนเกินไปควรให้ความสำคัญต่อการสร้างที่พึ่งทางใจจะดีกว่าเพราะทั้งที่พึ่งทางใจนี้จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีหมดไปไม่เหมือนกับที่พึ่งทางร่างกายที่ได้มาแล้วก็ต้องเสื่อมไป ได้บ้านมาไม่นานบ้านก็เก่าบ้านก็พังไปได้เสื้อผ้ามาไม่นานเสื้อผ้าก็ขาดไปได้อาหารมารับประทานไปแล้วก็หมดไปได้ยารักษาโรคมารักษาโรคไปไข้เจ็บรักษาหายแล้วยาก็หมดไปต้องคอยหามาใหม่อยู่เรื่อยๆหาไปจนถึงวันสุดท้าย คือวันตายของร่างกายนี่นี่คือเรื่องของที่พึ่งของทางร่างกายเรื่องของร่างกายเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของที่ถาวรไม่เหมือนกับเรื่องของใจใจนี้เป็นของถาวรหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็ยังอยู่ใจก็ต้องอาศัยที่พึ่งทางใจ ถึงจะทำให้ใจอยู่อย่างโล่มเย็ยนเป็นสุขอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีที่พึ่งทางร่างกายแต่ถ้าไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาหมดที่พึ่งทางร่างกายแล้วใจก็จะไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปเป็นขอทานทางทางโลกทิพย์ใจนี้อยู่โลกทิพย์เวลาไม่มีร่างกายไม่มีที่พึ่ง ใจก็ต้องไปเป็นขอทานในโลกที่ขอทานจากพวกที่มีชีวิตอยู่พวกที่มีร่างกายให้ช่วยส่งบุญช่วยส่งที่พึ่งไปให้เขาหน่อยแต่ถ้าใจได้พยายามสร้างที่พึ่งอยู่เรื่อยๆอย่างในวันนี้เป็นวันพระวันธรรมมัทสวรนระพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเรา หยุดสร้างที่พึ่งทางร่างกายไว้ชั่วคราวมาสร้างที่พึ่งทางใจกันบ้างมาสร้างบ้านให้กับใจมาสร้างอาหารให้กับใจสร้างเครื่องนุ่งห่มให้กับใจสร้างยารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับใจเพื่อที่ใจจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีร่างกายเวลาไม่มีที่พึ่งทางใจ ใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีที่พึ่งทางใจท่านจึงอยู่อย่างเรียบง่ายได้อยู่แบบขอทานได้ทานร่างกายท่านไม่มีทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองอะไรที่อยู่อาศัยก็ไม่แน่นอนในสมัย ยุคบุกเบิกของพระพุทธศาสนาไม่มีใครสร้างวัดถวายให้อยู่ไม่มีใครสร้างกุฏิให้อยู่พาะก็อาศัยอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำตามเงื่อมผาตามเรือนร้างสุดแท้จะหาที่ไหนอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ใจกลับไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะใจมีที่พึ่ง มีธรรมะเป็นที่พึ่งดังนั้นพวกเราจึงควรดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกเป็นตัวอย่างว่าท่านอยู่แบบขอทานแต่ทำไมท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราที่อยู่แบบเศรษฐีเพราะว่าพวกเราเป็นเศรษฐีทางร่างกายแต่ทางใจพวกเราเป็นเหมือนขอทาน เราไม่มีทรัพย์ภายในไม่มีที่พึ่งภายในถึงแม้เราจะเป็นเศรษฐีทางร่างกายแต่ทางใจเรานี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเราไม่สร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะเราไม่รู้ว่าใจของพวกเราต้องการที่พึ่งที่ต่างจากร่างกาย ร่างกายต้องการที่พึ่งคือปัจจัยสี่ใจก็ต้องการที่พึ่งคือธรรมะธรรมังสารณะกชานิยิ่งนี่ที่เป็นที่พึ่งของใจที่พึ่งของใจนี้มีสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าสารนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนที่สองก็คืออัตตาหิอัตนโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน <Yeah. S 1> ก่อนที่ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องมีสาระ mm. คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจก่อน mm. พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วใจก็ไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไป mm. พึ่งตนเองได้ไม่ต้องพึ่งคนนั้นไม่ต้องพึ่งคนนี้ไม่ต้องพึ่งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายตายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายอดยาขาดแคลนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีที่พึ่งนี่คือที่พึ่งของใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยอัตตาหิอัตโนนาโถคือเราต้องปฏิบัติเราต้องศึกษาว่าการที่เราจะสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งของเรานี้ต้องทำอย่างไรพอเรารู้แล้วว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติทำตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ได้ทำมาละได้สั่มสอนให้พวกเราทำกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้พวกเราทำอะไรกันก็สอนให้พวกเราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละบาปทั้งปวงแล้วก็ชำระกิเลสตัณหาความโลภความหยากให้หมดไปจากใจเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ใจ ได้เป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งปัจจัยสี่ของร่างกายไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมีที่พึ่งคือพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วใจจะเย็นใจจะสบายใจจะอิ่มใจจะพอ ถ้ามีที่พึ่งทางร่างกายแ ต, แต่ไม่มีที่พึ่งทางใจต่อให้มีมากน้อยเพียงไรใจก็จะหิวจะโหยจะอยากเพราะใจไม่มีที่พึ่งทางใจนั่นเองดังนั้นพวกเราจึงต้องพักการสร้างที่พึ่งทางร่างกายไว้ชั่วคราวอย่างในวันนี้ แล้วมาสร้างที่พึ่งทางใจกันที่พึ่งทางใจการทําความดีก็คือการแบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่นเรามีความสุขในรูปแบบใดเราก็แบ่งให้ผู้อื่นให้เขาได้รับความสุขบ้างอย่างวันนี้เราเอาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆปัจจัยสที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ มาถวายให้แก่พระภิกษุที่อยู่ในวัด น, นี้เพื่อที่ให้พระภิกษุได้มีความสุขเพราะถ้าขาดปัจจัยสีขาดเครื่องใช้ไม่สอยขาดอาหารขาดที่อยู่อาศัยพระภิกษุก็จะเดือดร้อนจะมีความทุกข์พอเราเอาข้าวของต่างๆมาถวายให้กับวัด พระภิกษุก็ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการให้ของพวกเรานี่เรียกว่าเป็นการทำความดีทำความดีแล้วก็จะทำให้ใจของเราได้รับความสุขกลับมาได้รับความอิ่มความพอกลับมาได้รับอาหารทางใจถ้าเราได้ทำบุญทำทานแล้ว ใจเราจะไม่หิวโหยเหมือนกับเวลาที่เราไม่ได้ทำบุญทำทานเวลาไม่ได้ทำบุญนี่หิวอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากดูนั่นอยากฟังนี่แต่พอมาทำบุญแล้วความหิวความอยากต่างๆก็น้อยลงไปยังมีอยู่ยังไม่หมดแต่ก็ลดปริมาณลงไปทำให้เราไม่ วุ่นวายไม่เดือดรอ้อนถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มได้รับประทานก็จะไม่วุ่นวายใจเหมือนกับตอนที่มีความอยากถ้ามีความอยากแล้วถ้าไม่ได้ทําตามความอยากใจก็จะทุกข์ใจก็จะวุ่นวายนี่คือการสร้างที่พื้นขั้นที่หนึ่งก็คือทําความดีช่วยเหลือผู้ ไม่ใช่ฉเฉพาะแต่พระสอ์องค์เจ้าช่วยเหลือทุกคนมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวถ้าใครเขาเดือดร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ให้ความสุขกับเขาได้ก็ขอให้ทำไปเพราะความสุขนั้นจะกลับมาหาเราเราให้ความสุขทางกายแก่ผู้อื่นเราจะได้รับความสุขทางใจกลับมา เราจะได้ทำให้เราไม่เดือดร้อนไม่วุว่นวายถ้าเราไม่มีอะไรเราจะอยู่ได้ความเดือดร้อนนี่เกิดจากความอยากพออยากแล้วต้องมีให้ได้ถ้าไม่มีแล้วเดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอย่างพระสงองค์เจ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไม่มีทรั์ท่านก็ไม่เดือดร้อน ท่านไม่มีรถยนต์ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านไม่มีอะไรต่างๆอย่างที่พวกเรามีกันท่านไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านไม่ได้มีความอยากได้อะไรนั่นเอง mm. การทำทานการช่วยเหลือคนอื่นนี้ mm. ก็เป็นการระ ง, งับความอยากต่างๆอย่างวันนี้ถ้าเรามีความอยากไปเที่ยวเราก็เปลี่ยนใจเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ มาซื้อข้าวของมาถวายพระแล้วเราก็จะได้ลดความอยากไปเที่ยวลงไปต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะมีกำลังน้อยลงไปอยู่บ้านเฉยๆก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีความอยากไปเที่ยวถ้าไม่ได้ไปเที่ยวนี้จะเดือดร้อนมากบางทีเราไม่มีเงินแต่เราอยากไปเที่ยวเราก็จะเดือดร้อน แต่ถ้าเราคอยตัดความอยากไปเที่ยวลงไปให้มันน้อยลงไปให้มันอ่อนลงไปด้วยการเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอามาทำบุญเอามาช่วยเหลือคนอื่นความอยากต่างๆก็จะน้อยลงไปพอเราไม่มีเงินเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะอยู่บ้านอยู่เฉยๆได้ความเดือดร้อนของพวกเราเกิดจากความอยาก อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้ดูอยากได้ฟังอยากได้ดื่มอยากได้รับประทานทั้งๆที่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่รับประทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่พอเกิดความอยากแล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะมันจะต้องทำตามความอยากให้ได้ถ้าไม่ได้ทำตามความอยากแล้วจะดิ้นตายให้ได้ ดูคนที่ติดยาเสพติดกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดดูเป็นตัวอย่างคนที่ติดยาเสพติดเวลาอยากเสพยานี้ถ้าไม่ได้เสพนี้จะดิ้นตายแต่คนที่ไม่ติดนี้ไม่เดือดร้อนไม่มียาเสพติดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคนดื่มสุราก็เหมือนกันคนดื่มสุราคนที่ติดคนที่อยากดื่มสุรา เวลาไม่มีสุราดื่มก็จะเดือดร้อนแต่คนที่ไม่ติดสุราไม่อยากดื่มสุราเวลาไม่มีสุราดื่มก็ไม่เดือดร้อนความเดือดร้อนจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ามีหรือไม่มีเดือดร้อนอยู่ที่ความอยากพออยากแล้วต้องมีให้ได้ถ้าไม่มีแล้วจะเดือดร้อนใจขึ้นมาคนที่มีแฟนกับคนที่ไม่มีแฟนนี้เป็นอย่างไร คนที่ไม่มีอยากไม่อยากมีแฟนเวลาไม่มีแฟนเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่มีแฟนเวลาแฟนไม่อยู่หรือเวลาแฟนจากไปคนนั้นจะเดือดร้อนเพราะยังมีความอยากมีแฟนอยู่นี่คือปัญหาปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากเราจึงต้องมาทำความดีละบาปชำระความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจเพราะว่าตราบใดถ้าเรามีความอยากอยู่ในใจก็เหมือนกับเวลาร่างกายเรามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายถ้าร่างกายมีเชื้อโรคร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นมีเชื้อเอมีเอชไอวีอยู่ในร่างกายร่างกายก็จะมีแต่เจ็บมีแต่ป่วยและถ้าไม่มียาคอยกันไว้ คอยต้านไว้ก็ถึงแก่ความตายได้แต่ถ้าเราสามารถชำระกำจัดเชื้อโรคเอจนี้ให้หมดไปจากใจได้จากร่างกายได้ร่างกายก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าอยากให้ใจของพวกเราหายจากโรคภัยคือความทุกข์ใจความวุ่นวายใจความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ เราก็ต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปให้ได้วิธีกำจัดก็คือการทำความดีให้ถึงพร้อมการไม่ทำบาปและการปฏิบัติธรรมชำระใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นหน้าที่ของเราเป็นอั ต, ตาหิอัตโนนาโถคนอื่นทำให้เราไม่ได้เราต้องทำเอง เราต้องต่อสู้ความอยากเช่นเรามีเงินเราอยากใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นเราก็เอาเงินนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเอาไปสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเพื่อสกัดความอยากให้มันอ่อนกำลังลงไปเช่นเดียวกับการอยากทาบาปต่างๆเราก็ต้องไม่ทำด้วยการถือศีล ด้วยการละบาปทั้งปวงอย่างวันนี้พวกเราก็มาถือศีลห้ากันรักษาศีลห้ากันละการกระทำบาปห้าข้ออยากจะฆ่าก็ไม่ฆ่าอยากจะลักทรัพย์อยากจะช่อกงก็ไม่ทำอยากจะประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ทำอยากโอกหกหลอกลวงก็ไม่ทำอยากดื่มสุรายาวเมาก็ไม่ดื่ม นี่เป็นการตัดความอยากเพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างสุขสบายถ้ามีความอยากแล้วเราต้องทำทำแล้วก็เกิดผลเสียหายตามมาถ้าอยากฆ่าคนไปฆ่าเขาก็ต้องเดือดรอ้อนต้องหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆแล้วถ้าถูกจับไปก็ต้องถูกจับไปลงโทษถูกจับไปขังคุกขังตาราง จับเข้าไปประหารชีวิตเพราะหยุดความอยากฆ่าคนไม่ได้อยากลักทรัพย์ก็แบบเดียวกันถ้าหยุดไม่ได้เดี๋ยวก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปอยากประพฤติผิดประเวณีเดี๋ยวก็มีปัญหากับคนอื่นไปยุ่งกับสามีไปยุ่งกับภรรยาของคนอื่นเดี๋ยวสามีภรรยาของคนอื่นเข้ารู้เขาก็ต้องมาหาเรื่องกับเรามาล้างแค้นเา่า ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามหยุดความอยากต่างเหล่านี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายใจคนที่มีศีลนี้อยู่สบายไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลนี้จะเป็นเหมือนกับวัวสันหลังหวดัดเวลามีมาแมลงมีอะไรมาเกาะมันก็เจ็บละคนที่ทำบาปนี้ เวลาเจอคนก็ไม่กล้ามองหน้าคนกลัวเขาจะรู้เวลาทำผิดกฎหมายเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาก็ตกใจทั้งๆ ท, ที่เจ้าหนี้ที่ตำรวจเขาไม่รู้ว่าเราทำผิดกฎหมายเขาไม่ได้มาจับเราเขามาทักทายเราแต่พอเห็นเขานิ้ใจก็วูบลงไปแล้วคิดว่าโดนแน่แล้วกูต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแล้ว แต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทำผิดกฎหมายเจอเจ้าหน้าที่ตารวจเราก็เฉยเฉยไม่วุ่นวายใจนี่คือการที่สร้างที่พึ่งทางใจให้ใจเราสงบให้เย็นให้สบายไม่วุ่นวายใจแต่การทำทานการทำความดีการไม่ทำบาปนี้ยังไม่สามารถทำลายความอยากต่างๆ ให้หายไปอย่างถาวรทำได้เพียงแต่ตัดกำลังมันเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราตัดกิ่งตัดก้านต้นไม้ยังไม่ตายถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวกิ่งก้านมันก็จะโผล่งอกออกขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกับความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราการทำความดี การไม่ทำบาปนี้เพียงแต่ตัดกำลังมันเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำลายให้มันตายได้อย่างถาวรถ้าต้องการที่จะทำลายให้มันตายอย่างถาวรเราก็ต้องมาปฏิบัติทำกันก็คือมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาอันนี้ถึงจะสามารถที่จะทำลายปัญหาความอยากให้หมดไปได้ตอนต้นก็ นั่งสมาธิก่อนทำใจให้สงบพอใจสงบก็เหมือนกับฉีดยาสลบให้กับตันหาความอยากเวลาอยู่ในสมาธินี่ตันหาก็เหมือนคนนอนสลบสลายไม่มีไม่มีแรงที่จะทำอะไรพอออกจากสมาธิมาออกมาใหม่ๆก็ยังไม่มีเรี่ยวแรงอยู่ ตอนนั้นก็ใช้ปัญญามาฆ่ามันได้ปัญญานี้เป็นเหมือนมีดที่เราต้องใช้แทงมันสมาธิเป็นเหมือนกับยาสลบรือเป็นเหมือนกับเชือกที่มัดตัวมันเอาไว้ไม่ให้มันทำอะไรเราได้แต่พอออกจากสมาธิมามันก็จะพยายามเอาเชือกออก ถ้ามันเอาเชือกออกได้มันก็จะมาสร้างปัญหาได้แต่ก่อนที่มันจะแกะเชือกออกได้เราก็ใช้ปัญญามาฆ่ามันเลยถ้าไม่มีสมาธินี้เราใช้ปัญญาฆ่ามันไม่ได้เพราะมันมีกําลังมากกว่าเรามันเร็วกว่าเราเราจึงต้องให้มันเข้าไปในสมาธิก่อนตีมันให้สลบก่อนพอมันสลบแล้วเวลามันฟื้นขึ้นมาก็เอา มีดนี้มาแทงมันเลยมีดคือปัญญาสมาธิคือยาสลบต้องใช้ทั้งสองอย่างตอนต้องตั้งฉีดยาสลบให้มันสลบสลายก่อนแล้วพอออกจากสมาธิมาพอมันเริ่มจะมีกำลังก็ใช้ปัญญาฆ่ามันเลยเวลาอยู่ในสมาธิใจจะนิ่งใจจะสงบมีความสุขมากเพราะไม่มีตัณหาไม่มีความอยาก แต่พอออกจากสมาธิมาตันหาความอยากมันก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาพอมันจะฟื้นตัวตอนนั้นมันยังไม่มีกำลังก็เอาปัญญามาฆ่ามันเลยปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความจริงเหตุผลที่เราต้องสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ และสิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้มีแต่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเวลาเราอยากจะดื่มสุราเราคิดว่าดื่มสุราแล้วจะทำให้เราสบายใจแต่พอเราดื่มแล้วมันก็สบายใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากดื่มขึ้นมาใหม่พอเกิดความอยากดื่มแล้วไม่ดื่มไม่ได้ดื่มความทุกข์ก็จะไม่หายไป แล้วก็จะเกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นมารุนแรงกว่าเก่าเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าทำตามความอยากถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราต้องดับด้วยการฆ่าความอยากไม่ทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากไปสักระยะหนึ่งต่อไปความอยากมันจะหมดกำลังไปเองแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากเช่นคนที่อยากดื่มสุรา ทุกครั้งที่ดื่มสุราอย่าไปดืม่มสู้มันอย่าไปทำตามความอยากต่อไปความอยากนี้มันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆและหมดไปในที่สุดเราจะสู้กับความอยากได้เราก็ต้องมีสมาธิก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังสู้มันถ้ามีสมาธิเราจะมีกำลังใจจะสุขใจจะอิ่มใจจะพอ เวลาเกิดความอยากหนึ่งมันจะไม่เดือดร้อนมากมันเดือดร้อนบ้างแต่ไม่มากไม่เหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธินี่พออยากอะไรขึ้นมานี่ใจแทบจะล้มละลายเลยต้องเอามาให้ได้ต้องทำตามความอยากให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วจะตายให้ได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่ถึงขั้นนั้นมันจะรู้สึกเดือดร้อนนิดนิด แล้วถ้ามันรู้ว่าทำตามความอยากเป็นโทษมันก็จะฝืนได้พอฝืนได้ต่อไปมันก็จะหมดกำลังไปพอหมดความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับพวกเราเองต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสูญเสียอะไรใจจะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่มีความอยากไม่สูญเสียใจรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ใจได้มานี่จะต้องหมดไปเวลามาเกิดในโลกนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเวลาจากโลกนี้ไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปถ้ามีธรรมติดตัวไปก็จะไปอย่างสบายไปอย่างไม่ทุกข์ถ้าไม่มีธรรมติดตัวไปก็จะไปแบบทุกข์ถ้ามีตัณหาความอยากติดตัวไปอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บอยากไม่แก่ พอมีความอยากเหล่านี้เวลาจะแก่จะเจ็บจะตายจะทุกข์มากแต่ถ้ามีธรรมใจจะไม่ทุกข์เพราะจะไม่มีความอยากนั่นเองนี่แหละคือวิธีสร้างที่พึ่งทางใจให้กับพวกเราที่จะรักษาใจของพวกเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ หรือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆจะไม่ทำให้ใจเดือดร้อนเลยเพราะใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสาระเป็นที่พึ่งมีอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งพึ่งตนเองได้พึ่งธรรมะพึ่งพึ่งตนเองด้วยการพึ่งธรรมะไม่ต้องพึ่งอะไรนี่คือวิการสร้างสาระสร้างที่พึ่งของใจด้วยการศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละความให้ละบาปทั้งปวงและให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดกิเลสตัณหาความโลอความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอเราทําได้ครบบริบูรณ์แล้วเราก็จะมีที่พึ่งที่สมบูรณ์ จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปเหมือนกับคนที่ได้ยารักษาโรคเองทําลายเชื้อโรคเอกให้หมดไปจากใจแล้วร่างกายก็จะไม่ต้องแกะไม่ต้องตายไปกับโรคเองอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันธรร ม, มสวรรค์มาสร้างที่พึ่งทางใจนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุข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 ด้วยอายุวนณสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ